35ถ้าจิตเกิดอกุศลอย่าไปดูอกุศลให้ดูที่ใจที่ไม่ชอบอกุศลวงเล็บเปิดสามิ 30. มีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาที20วงเล็บปิดการติดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลให้ดูจิตที่มีโทสะอย่างเราเห็นอกุศลเกิดขึ้นเราเกลียดมันให้ดูตรงที่เกลียดนี่ไม่ใช่ไปดูที่ตัวอกุศลอื่นนะตัวกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นสดสดร้อนๆ้อนเป็นปัจจุบัน กำลังเกลียดกิเลศอยู่ให้รู้ว่ากำลังเกลียดมันอยู่ถ้าเราไม่รู้ทันว่าเกลียดนะเราก็เลยโดดเข้าไปต่อสู้กับมันอุตลุดเลยให้ดูใหม่อย่าไปดูผิดที่อกุศลอันโ น, น้นให้ดูที่ใจที่ไม่ชอบอกุศลเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะไปรู้สภาวะใดๆแล้วถ้าจิตเราเกิดยินดีขึ้นมาให้รู้ทันจิตเราเกิดยินร้ายให้รู้ทันเราให้กาลังแก่อกุศลเองนะ อย่างเราเกลียดมันเนี่ยเราก็เพิ่มอักุศลแล้วไม่ชอบอะไรก็ให้รู้ทันมันไปเรื่อยๆอย่าคิดมากคิดมากแล้วฟุง้งซ่าน